แล้วก็พรหมนี้เชื่อเชิญในตำแหน่งเท้ามาหาพรหมด้วยเนี่ยนะว่าพรหมมาสถานเนี่ยดีเยี่ยมเลยว่างั้นก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าชนะพรหมอ่ะนะในคาถาพาหุงก็มีอยู่ทิฏฐาอะไรนะทุกในคาถาที่8เนี่ยนะในพาหงเนี่ยนะนรพุทธชัยมงคล8กรคาถา ที่กล่าวว่าทุกขาหทิธิผู้ชะ่คนณะสุทัธาหัดังพรมังวิสุทธิชุติมิทธิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทนนะพระจอมมุนีเนี่ยนะได้ชนะได้ใช้ชนะพรกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฐิที่ตนถือผิดรัดเรงไว้แน่นแฟนแล้ว ด้วยวิธีวางยาวิเศษคือเทศนายานวิธีนะป้าก็อันนี้เป็นชัยชนะอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าในพุทธชัยมงคล8เนี่ยนะในข้อ551หน้า541ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณธิกเศรษฐีกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าภิสูจทั้งหลายนั่นพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่านั่นซึ่งเป็นปกติของพระพุทธเจ้าว่าเวลาที่พระองค์จะแสดงธรรมกับกลุ่มใดบริษัทใดพระองค์จะต้องเรียกเรียกชื่อเรียกขานบุคคลเหล่านั้นก่อนนั่นเพื่อให้หันหน้าเข้ามาในพระธรรมเทศนา เพื่อที่จะตัดความฟุ้งซ่านตัดความคิดปริวิตกไปในเรื่องอื่นเนี่ยนะให้มีใจน้อมมาหาพระธรรมแล้วก็ประมวลใจทั้งหมดมาเพื่อฟังธรรมตั้งจิตเพื่อความรู้ยิง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าภิกสูทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นรังใหญ่ในศพพระควั์เนี่ยนะ ก็คืออยู่ในป่างามแห่งหนึ่งก็คือเป็นป่าที่ใหญ่ป่าที่งามเมืองอุกัตาก็สมัยนั้นแลพระกะพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นป่านี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยงนะคือหมายคำว่าผู้ใดก็ตามมาเกิดที่พรห ม, มโลกอ่ะผู้นั้นจะเที่ยงจะยั่งยืนนะเมื่อไปเกิดที่นั้นแล้วก็มั่นคงแข็งแรง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 คั้งนั้นเรารู้ความปริวิตกทราบความคิดแห่งใจของพระกะพรหมด้วยใจแล้วเนี่ยนะพระองค์รู้เลยเนี่ยนะว่าเขาคิดอะไรพระองค์รู้ด้วยสัพพันยุตยานรู้ด้วยเจโตปริยญานเลยว่าความคิดของพรหมเนี่ยเขาคิดอะไรเสร็จแล้วพระองค์ก็หายไปจากที่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกถาไปปรากฏในพรหมโลก เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู่หรือพึงคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นนะตามคำเชื่อเชิญเลยนะพร om ก็เสด็จไปตามคำเชื่อเชิญเลยเขาเชื่อเชิญบอกมาเถอะเนี่ยนะใครมาเกิดที่นี่ก็ท้ายที่นี่เป็นสถานที่ยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงไม่เคลื่อนนะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเพราะฉะนั้นที่ไหนที่จะเยี่ยมประเสริฐที่จะนำออกจากทุกยิ่งกว่าพร om ยิ่งกว่าพร o มาสถานหรือผู้ที่มาเกิดที่นี้ไม่มี โปรงก็ไปเลยไปตามคําเชื้อเชิญเพ็กซูทั้งหลายพระกะพรหมได้เห็นเราผู้มาจากที่ไกลแล้วได้พูดกับเราว่าท่านผู้เหนรอทุกเชิญมาเถิดท่านมาดีแล้วนานทีเดียวที่ท่านเพิ่งจะทําทางมาในที่นี้แม้กว่าจะได้ปฏิบัติมาเข้าถึงสถานที่นี้นะมันยากว่างั้นเนอะนานกว่าจะได้กลับมาอย่างนี้สักทีหนึ่งก็คือชื่นชมะนะว่าผู้ใดมาพรห ม, มโลกนี่แหมประเสริฐแท้ว่างั้น ท่านผู้เนรทุกข์พรหมสถานนี้เที่ยงนนะยืนยันอีกนะเมื่อมาถึงแล้วก็ยืนยันให้พระพุทธเจ้าฟังอีกรอบหนึ่งบอกพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้แลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเหตุหรือสธรรมะเป็นที่ออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่าที่ดีกว่าพรหมสถานนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ใดปรารถนาความพ้นทุกข์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 ก็แม <g ül> <g ül> ่อันนี้มันแบบถ้าหากว่าเทียบอายุของพรมเนี่ยนะกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยพวกเราอย่าง ก, กับท่านกับพี่ตาครั้งหนึ่งเราก็ตายแล้ว3รอบเหมือนกันน่ย <g ül> คือมันนี่มากกันนะคือถ้าเราเทียบอายุอย่างอายุของมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับร้อปีเนี่ยมันไม่ได้นานอะไรเลยถ้าเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวจา่าตุม่ม500ปีของเขาเนี่ยห้าสิบปีของเขาเท่ากับวันหนึ่ง มายควว่า50ปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึของเขาแล้วข้าอายุ500ปีทิพย์ก็ประมาณ9ล้านปีเนี่ยไอ้เล้านปีของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับของเราร้อปีมกี่วันเอา้าเล้านกับกั บ, ก, บกับไม่ถึง100ปีเนี่ยนะหมายมันห่างกันเยอะนะ ก, ก็สมพติท่าพูดไปเป็นรูปธรรมภาษาเงินทองบอกคนนั้นมีเงินตั้ง9ล้านอีกคนหนึ่งมีตั้ง560บาท70บาทนี่ไนะโอยมันห่างกันเยอะนะมันห่างกันไม่รู้คูณกี่ร้อยอะนะ คูณกี่พันจึงจะได้เท่านั้นน่ะทีนี้มนุษย์ของเราเนี่ยนะอายุ6 7 80ปี90ปี100ยปีเนี่ยถ้าไปเปรียบกับดาววัดึงแล้วดาววัดึงเข้า36ล้านปีอย่างเงี้ยนาะโอ้เราห่างดาววัดึงขนาดไหนเนี่ยนะถ้าเทียบกับชั้นยามาไปอีกโอ้ห่างยามาเยอะถ้าเปรียบกับดูสิทธ์เข้า500กว่าล้านปีของเราลนี่อายุนิดเดียวถ้าเทียบกับนิมมานารดีอีกซึ่งเขาอายุมากกว่านั้นอีกเยอะเนี่ยนะ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 เท่านั้นชีวิตอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายก็ไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยเนี่ยนะแต่ทีนี้ย้อนกลับมาว่าพรหมเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยจีรังยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงไม่เคลื่อนไม่จุติไม่อุบัตที่นี้แหละผู้ใดมาเกิดแล้วพ้นทุกอย่างเดียวพลิกสูทั้งหลายเมื่อพระกะพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับพระกะพรหมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 พันท่านพรม้มท่านตกอยู่ในอำนาจอาวิชชาแล้วเนาะพรม้มท่านตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาแล้วเนาะมืดแท้มืดแท่เนี่ยนะนะเรียกว่ามืดสนิทเลยถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพร้มเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอวิชชาอาวิชชาก็คือไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ ข้อปฏิบัติให้ถึงความระดับทุกข์เมื่อไม่รู้จักทุกข์เนี่ยนะไอ้คาว่ารู้จักทุกข์ก็คือธรรมชาติที่เบียดเบียนบีบคั้นธรรมชาติที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมชาติที่เล่าร้อนแล้วก็สภาวะที่วิปริณามะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพร้มเนี่ยไอ้ความที่ไม่รู้จักปฐมฌานพร้อมทั้งวิบากและกรรมชรูป สิ่งที่ไม่เที่ยงไปสําคัญว่าเที่ยงอันนี้มันวิปรัชช์ชัดๆเลยมืนกันนี่ยนี่อโยนิโสมรัิกาลไปคิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปกล่าวในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วบอกว่ายั่งยืนไปกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงนั่นแหลว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงนั่นแหละว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดานั่นแลว่าไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติทั้งอุบัติอยู่ในพรห ม, มสถานใดคือธรรมชาติโดยปกติของพรหมเนี่ยนะคือจํานวนปริมาณแห่งพรหมที่อยู่ในพรห ม, มโลกเนี่ยเยอะมากมันก็เกิดให้เห็นพรหมใหม่ๆก็มาอุบัติเกิดขึ้นพรหมเก่าๆก็ตายให้เห็นนะนะพรหมก็ดำรงอยู่นานก็เป็นความชราทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งจุติและอุบัติก็มีให้เห็นทั่วไปหมด แต่ตัวเองเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจอาวิชาไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นคิดแต่ว่าฉันเป็นมหาพรหมอย่างเดียวนี่นะเพราะพระกะพรหมเนี่ยนะกล่าวว่าพรหมมาสถานนี้นี่แหละไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติและไม่อุบัติไม่รู้เลยแสดงว่าหลับหูหลับตาพูดยังไงเนี่ยาง้นนะ